จเจริญพรทั้งผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่มใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันที่15มกราคมพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาวิธีการควบคุมความสุขและความทุกข์ให้อยู่ในขอบเขตที่เราต้องการเพราะความสุขและความทุกข์ของใจเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากใครทั้งนั้นเกิดจากใจของเราเอง ใจของเรานี้ถ้าไปเตะน้ำมันก็เจ็บถ้ามันไม่ไปเตะน้ำมันก็ไม่เจ็บถ้ามันไม่ไปแบกของหนักมันก็ไม่หนักของหนักขนาดไหนเท่าภูเขาถ้าเราไม่ไปแบกมันมันก็ไม่หนักแต่ของเล็กๆน้อยๆถ้าเราไปแบกมันมันก็ทำให้เราหนักอกหนักใจได้ ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักวิธีสอนใจห้ามใจไม่ให้ไปเตะน้าหรือไม่ให้ไปตักไปแบกเอาสิ่งต่างๆมาให้หนักอกหนักใจเพราะแบกไปก็ไม่ได้อะไรนอกจากความหนักอกหนักใจการที่เราจะสอนใจให้ทําตามคําสั่งของเราได้ในเบื้องต้นเราต้อง มัดใจเอาไว้ก่อนดึงใจเอาไว้ก่อนใจของเรานี้เป็นเหมือนหลิงเวลาที่เราจะสอนเล็งให้ทาอะไรต่างๆให้ให้ราให้เต้นให้ทำอะไรได้ในเบื้องต้นเราต้องจับหลิงไว้ก่อนถ้าเราไม่จับเลิงไว้ปล่อยให้เลิงมันอยู่ตามอิสระของมัน เราก็จะไม่สามารถที่จะสั่งให้มันทำอะไรต่างๆที่เราต้องการได้ฉะนั้นในเบืวเว้องต้นเราต้องจับลิงเข้ามาอยู่ภายใต้อำนาจของเราก่อนคือเราต้องมีเชือกไปคล้องคอมันถ้าเรามีเชือกคล้องคอมันแล้วทีนี้เราก็ผูกเชือกไว้กับเสาทีนี้มันก็จะไปไหนไม่ได้มันจะดิดอย่างไร ถ้าเชือกไม่ขาดมันก็ไปไม่ได้แต่ถ้าเชือกมันไม่มีกำลังพอมันก็สามารถทำให้เชือกขาดได้และมันก็ยังจะสามารถไปทำอะไรต่างๆตามที่มันต้องการได้ถ้ามันไปแล้วเราจะสั่งให้มันทำอะไรก็ยากเพราะมันไม่สนใจแต่ถ้าเราสามารถมีเชือกเส้นใหญ่ๆผูกมันไว้ กับเสาได้ต่อให้มันดิ้นยังไงต่อสู้ยังไงเชื่อก็ไม่ข่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะเหนื่อยพอมันเหนื่อยแล้วมันก็จะหยุดมันก็จะนั่งเฉยๆแล้ทีนี้เราก็จะสามารถสอนมันได้สอนให้มันให้มันทำอะไรก็ได้เราก็มีวิธีสอนมันเวลามันทำอะไรถูกเราก็ให้รางวัลมัน เวลามันทำอะไรไม่ถูกเราก็ให้เราก็ทำโทษมันต่อไปมันก็จะอยู่ภายใต้คำสั่งของเราใจของเราก็เป็นเหมือนลิงที่เราต้องจับเอามาผูกเชือกไว้กับเสาก่อนให้มันหยุดไปไหนมาไหนก่อนให้มันอยู่เฉยๆให้มันนิ่งซะก่อนเมื่อมันนิ่งแล้วเราก็จะได้สอนมันว่าความสุข ท, ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรความทุกข์ที่เกิดขึ้น น, นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อสอนมาแล้วถ้ามันทำตามมันก็จะเห็นเห็นผลที่ตามที่เราสอนอเมื่อเราสอนมันจนลาดแล้วต่อไปมันก็จะรู้จักควบคุมตัวมันเองไม่ให้ไปแบกไปหาความทุกข์ต่างๆ มันก็จะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายมีความสุขนะครับใจของเราก็เป็นอย่างนี้เราต้องหาเชือกมาผูกใจของเราไว้ไม่ให้ไปเพ่นพลานไปตามอารมณ์ของมันนะเชือกเชือกที่พระพุทธเจ้าทรงคนพบนี้ก็คือสติสตินี่ก็คือการระลึกรู้ให้ระลึกรู้อยู่กับ ปัจจุบันให้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวดีเช่ตอนนี้ร่างกายเราอยู่ตรงไหนก็ให้ใจเราอยู่กับร่างกายให้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้ไปอยู่กับที่อื่นให้อยู่ในปัจจุบันพาะร่างกายของเรานี้จะอยู่ในปัจจุบันเสมอไม่ได้อยู่ในอดีตไม่ได้อยู่ในอนาคตอยู่ในปัจจุบันทั้งสอนให้เรา ูกใจไว้ให้อยู่ในปัจจุบันให้รู้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นในขณะนี้เรากำลังทำอะไรเรากำลังนั่งเฉยๆแล้วเรากำลังฟังเทศกันใจของเราก็ต้องอยู่ตรงนี้อยู่กับการฟังเทศอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นถ้าไปคิดเรื่องอื่นจะไม่ได้ยินจะไม่เข้าใจสิ่งที่กำลัง ได้ยินอาจจะได้ยินเสียงแต่มันจะไม่เข้าไปในใจเพราะใจไม่ได้ไม่ได้รับรู้ใจกำลังไปรู้เรื่องอื่นรู้เรื่องอดีตรู้เรื่องอนาคตรู้เรื่องคนนั้นรู้เรื่องคนนี้แต่ไม่รู้เรื่องธรรมะที่กำลังฟังอยู่ฟังไปก็ไม่เกิดประโยชน์ฟังแบบนี้เขาเรียกว่าฟังแบบทับพที่ในหม้ อ, อกแกง ต่อให้ฟังกี่ปีก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจะไม่ฉลาดจะไม่ได้มีปัญญาถ้าเป็นนักเรียนถ้าเรียนหนังสืออย่างนี้ก็เรียนไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่จบเรียนไม่ผ่านเวลาสอบก็ทำข้อสอบไม่ได้เพราะความรู้ที่อาจารย์จะทดสอบนี้ไม่มีอยู่ภายในใจของตนนั่นเองดังนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไร ขอให้เรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเสมอกำลังรับประทานอาหารให้ก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารอย่านั่งรับประทานอาหารแล้วก็คุยกันหรือไปคิดเรื่องงานเรื่องการต่างๆที่จะไปทำต่อก็ดีหรือที่ผ่านมาแล้วก็ดีอย่างนี้แสดงว่าใจเราไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัว จริงอยู่มันก็อยู่บ้างแต่มันไม่อยู่อย่างต่อเนื่องมันอยู่ได้แวบหนึ่งเช่นจะตักข้าวกินมันก็หันกลับเข้ามาตักข้าวพอตักเสร็จมันก็ไปคิดเรื่องอื่นต่อเวลาเคี้ยวเวลากลืนนี้ไม่ได้ไม่ได้ติดตามไม่ได้ดูไม่ได้เฝ้าใจก็ยังไม่มีสติอย่างต่อเนื่องมันยังหลุดไปได้ถ้ามันยังหลุดไปได้นี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะ อบรมสั่งสอนมันได้เพราะมันไม่ฟังนั่นเองมันฟังแต่มันไม่ได้ยินคือมันไม่เข้าไปในใจของมันแต่ถ้าเราสามารถควบคุมให้ใจให้อยู่กับปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดไปไหนใจมันก็จะนิ่งจะสงบตั้งมัน่นเรียกว่าเป็นสมาธิขึ้นมาพอใจมีความสงบตั้งมั่นแล้ว ทีนี้เราจะสอนอะไรจะบอกอะไรมันมันก็จะได้ยินมันก็จะได้ฟังเหมือนกับตอนนี้ถ้าใจของญาติโยมไม่นิ่งไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะไม่เข้าใจเรื่องที่กำลังได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้แต่ถ้าใจนิ่งตั้งมั่นอยู่กับการฟังเวลาพูดอะไรก็จะเข้าใจอย่างน้อยก็จะ เข้าใจหรือว่าพอจะเข้าใจอาจจะไม่เข้าใจหมดเพราะว่าบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพอฟังครั้งแรกก็อาจจะรู้สึกแปลกหูแปลกใจยังไม่เข้าใจแต่เรื่องที่เราเคยฟังมาแล้วหลายๆครั้งแล้วพอเรามาฟังใหม่เราก็จะเกิดความเข้าใจได้เวลาฟังจึงต้องมีความอดทน เรื่องใดที่เราไม่เข้าใจก็ปล่อยให้มันผ่านไปก่อนฟังไปเรื่อยเรื่อยเรื่องไหนที่เราเข้าใจมันก็จะเป็นประโยชน์กับเราต่อไปอย่างวันนี้คงจะเข้าใจเรื่องการตั้งสติว่ามีความสาคัญต่อการควบคุมใจของเราเพราะใจของเรานี้แหละเป็นผู้ที่ไปหาความทุกข์มาใส่ใจเองไปหาเรื่องมาใส่ใจเอง ไปหาความหนัก อ, อกหนักใจมาใส่ให้กับตนเองถ้าไม่ไปหาเรื่องมามันก็จะไม่มีปัญหาเข้ามาในใจของเราถึงแม้จะมีปัญหาอยู่ข้างนอกแต่มันก็จะอยู่ข้างนอกมันจะไม่เข้ามารบกวนใจของเราพวกเราทุกคนมีปัญหาทั้งนั้นและปัญหาของพวกเราบางทีก็แก้ได้บางทีก็แก้ไม่ได้แต่เรา สามารถที่จะอยู่กับมันได้ถ้าเราไม่เอามันเข้ามาไว้ในใจของเราปล่อยให้มันอยู่ข้างนอกถ้าแก้มันได้ก็แก้ไปถ้าแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นไม่ต้องเอาเข้ามาในใจของเราบางคนนี้เอาเข้ามาในใจจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับค ว, ว่าเอามาในใจก็คือคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆอย่าไปคิดถึงมันถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็ต้องดู ม, มันเสีย ปล่อยให้มันเป็นไปอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็นแต่ใจของเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายจะอยู่อย่างสงบเพราะว่าราใจของเรานี้มันมามันก็ไม่ได้เอาอะไรมาแล้วเวลามันไปมันก็ไม่ได้เอาอะไรไปแล้วมันทำไมจะต้องมาหนักอกหนักใจ มาแบกมาหามกับเรื่องต่างๆที่มันจะ ต, ต้องทิ้งไปใไนที่สุดเนี่ยเช่นลาบยศสารเสริญสุขที่พวกเราตะเกียบตะกายวุ่นวายกับอยู่ทุกวันนี้เราเอาไปได้ไหมอะไรบ้างหรือปลราลาบเงินทองมีกองเท่าภูเขาเอาไปได้หรือเปล่าตำแหน่งใหญ่โตเป็นประธานาธิบดีพระราชามาหากษัตริย์เป็นนายกรัฐมนตรี เวลาตายไปเอาไปได้ไหมป่าคำสรรเสริญเยินยอยกย่องนี่เอาไปได้หรือเปล่าความสุขทางตาหูจมูกรินกายเอาไปได้หไหมปะเอาไปไม่ได้เลยแต่เราอยู่กับมันอย่างมีความวุ่นวายใจมีอยู่อย่างหนักอกหนักใจอยู่กับมันตลอดเวลามีความสุขจากมันบ้างก็เพียงเล็กๆน้อยๆเวลาที่ได้มาใหม่ๆ เวลาได้อะไรมาใหม่ๆก็ดีอกดีใจแต่พอมีแล้วทีนี้ก็ต้องมากังวลใจมาหวงมาหวงแล้วก็มาเสียใจเวลาที่มันจากเราไปใจองเราก็เท่าเดิมต่อให้มีเงินมาเป็นร้อยล้านพันล้านใจก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นไม่ได้รวยขึ้นต่อให้สูญไปหมดเหลือเงินไม่มีทักบาทเดียวใจก็ไม่ได้จนลง เพอาใจไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เข้าไปในใจมันอยู่ข้างนอกมันเป็นของสมบัติของโลกนี้ใจของเรานี้เปรียบเหมือนอยู่กับอีกโลกหนึ่งเพียงแต่ว่าอาศัยร่างกายนี้เป็นเป็นตัวแทนเป็นตัวที่มาทำหน้าที่แทนใจมาครอบครองสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ แต่ร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่เป็นสมบัติที่ถาวรของใจเช่นเดียวกันพ อ, อร่างกายนี้หยุดทำ ง, งานสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆลาบยศต่างๆที่เราได้ก็จะหมดสภาพตามไปกับร่างกายใจ ก, ก็ต้องไปต่อถ้ายังมีความหลงมีความอยาก ที่จะมีลาบยศสรรเสริญสุข ก, ก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาทำหน้าที่เดิมมาทุกข์กํามันต่อไปนี่คือใจที่ไม่มีไม่มีปัญญาไม่มีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของใจว่าเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าความสุขของตนนั้นอยู่ที่ไหนถูกความหลงหลอกให้ไปหาความสุขจากการไปเกิด ไปเกิดแล้วก็ไปหาความสุขทางจามือจมูกเล่นกายไปหาความสุขกับลาบยศสรรเสริญแต่เป็นความสุขเพียงเล็กๆน้อ ย, อยๆที่มีแต่ความทุกมาผัวพันมาเกี่ยวข้องเสียส่วนใหญ่ชีวิตของวเราทุกวันนี้เราทุกเรากังวลเราว้าวุ่นกับอะไรก็ว้าวุ่นกับเรื่องลาบยศสรรเสริญ ส, สุขนี่เอง เวลาไม่มีก็ว้าวุ่นกับการแสวงหาพอเวลามีก็ว้าวุ่นกับการดูแลรักษาป้องกันเวลาสูญเสียไปก็ว้าวุ่นกับการกับการสูญเสียเศร้าโศกเสียใจไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดมือไปกับตนนอกจากความหลงความอยากเพราะว่าถ้ายัางแสวงหาราบยศเะรสมุขอยู่ ก็แสดงว่ายังมีความหลงอยู่ที่จะหลอกให้ใจไปสแสวงหาไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเราสแสวงหามาไม่รู้กี่ภพ ก, กี่ชาติแล้วแล้วเราก็จะต้องสแสวงหาอย่างนี้ต่อไปแล้วก็สร้างความทุกข์ให้กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเกิดมาพบไหนชาติไหนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดา ก็ต้องเจอความเสื่อมด้วยกันเทวดาถึงแม้ว่าจะไม่มีร่างกายแต่จิตใจเขาก็เสื่อมลงเสื่อมจากความสุขจิตใจของเทวดานี้มีความสุขแต่เมื่อความสุขนั้นหมดไปจิตใจก็จะมีความเศร้าหมองตามมาอยู่ดีเพราะว่าจิตใจนี้ไปแสวงหาสิ่งที่มันมีความไม่เที่ยงนั่นเอง มันไม่มันไม่ถาวรมันไม่คงเส้นคงวามีเจริญและมีการเสือ่อมดังนั้นพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ทรงพบความจริงของใจว่าใจนั้นสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรใจมีความสุขมากกว่า ม, มีอะไรเพราะเวลามีอะไรแล้ว มีความทุกข์มากกว่ามีความสุขเวลาไม่มีอะไรแต่จะต้องไม่มีความอยากมีอะไรถึงจะมีความสุขเวลาไม่มีอะไรแล้วมีความอยากจะมีอะไรมันก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาเหมือนคนจนที่อยากจะรวยเขาก็มีความทุกข์ขึ้นมาหรือคนที่มีอยู่บ้างแล้วอยากจะมีมากขึ้น พอมีความอยากเข้ามาเกี่ยวข้องใจก็จะต้องเดือดร้อนขึ้นมาทันทีแต่ใจของใครก็ตามถ้าไม่มีความอยากได้อะไรถึงแม้จะไม่มีอะไรหรือมีอะไรก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจเพราะใจนี้ทุกข์ด้วยความอยากของตนเองนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เรียกว่าอาริยสัจสี่ความทุกข์ใจนี้คือความเป็นสั์ข้อที่หนึ่งสัจอยากข้อที่หนึ่งใจของเรามีความทุกข์และเหตุของความทุกข์ของใจนี้ก็คือความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากไม่ได้อยากไม่มีอยากไม่เป็นมีสองแบบสิ่งที่ดีก็อยากได้อยากมีอยากเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่อยาก ก็อยากไม่ได้อยากไม่เป็นเช่นอยากร่ำอยากรวยอยากอยู่ไปนานๆมีตำแหน่งสูงๆอยากมีความสุขมากๆนี่ส่วนความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่เป็นคนยากจนอยากไม่มีความทุกข์นี่นี่ก็เป็นความอยากที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าไม่อยากให้มีความทุกข์ใจก็ต้องตัดความอยากทั้งทั้งหมดให้ออกไปการจะตัดความอยากทั้งหมดออกไปให้ได้ก็ต้องควบคุมใจให้นิ่งให้สงบแล้วก็สอนใจไม่ให้ไปหลงอยากกับสิ่งต่างๆให้เห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นความสุขเพียงนิดเดียวเป็นความทุกข์มากกว่าความทุกข์อย่างที่เล่าให้ฟังทุกเพราะ เวลาแสวงหาก็ทุกข์แล้วกว่าจะได้เงินได้ทองมากว่าจะได้ตำแหน่งมาแต่ละครั้งนี้เหนื่อยแสนเหนื่อยพอได้มาแล้วก็ต้องทุกข์กับการคอยดูแลรักษาคอยปกป้องแล้วพอสูญเสียไปก็ต้องมาทุกข์เศร้าโศกเสียใจอีกนี่คือเรื่องที่เราต้องฝึกใจของเราสอนใจของเราเรื่องต้นต้อง ดึงใจให้เข้ามาให้นิ่งไม่ให้ไปไปอยากเวลาอยากอะไรก็ดึงเอาไว้ดึงเอาไว้แล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันไม่ได้เป็นความสุขมากนักมันเป็นความทุกข์มากกว่าถ้าใจเห็นความจริงมันนี้แล้วต่อไปก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากเป็นอะไร พอใจไม่มีความอยากอยู่ในใจแล้วทีนี้ก็จะอยู่อย่างมีความสุขเพราะว่าไม่มีความทุกมาลบกวนใจนั่นเองมีความอิ่มมีความพออยู่ตลอดเวลาด้วยด้วยด้ว ย, ด, วยด้วยการควบคุมใจของเราด้วยสติพอใจมันนิ่งแล้วเนี่ยมันจะมีความอิ่มมีความสุข แล้วถ้าเกิดมันถูกกิเลสหลอกไปให้ไปอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้ก็ให้เอาปัญญามาสอนใจว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์และมันมันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรามันมาได้มันก็ไปได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วกิเลสก็จะไม่กล้าโผลมา กิเลสมันก็จะไม่สามารถหลอกให้เราไปแบกไปหามไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้แต่เราก็มีหน้าที่ที่เราต้องทําคือที่มันที่จําเป็นต่อาการดารงชีพการทําหน้าที่นี้ไม่ได้ถือว่าเป็นความอยากเช่นดูแลรักษาร่างกายด้วยปัจจัยสี่เวลาถึงเวลารับประทานอาหารก็รับประทานอาหาร แต่อย่าไปรับประทานด้วยความอยากรับประทานเหมือนกับรับประทานยาถึงเวลาต้อกินยาเราก็กินไปเมื่อยังไม่ถึงเวลากินยาเราก็ไม่กินฉันั้อาหารนี่ก็เป็นเหมือนยาของร่างกายให้กินอาหารเหมือนกินยากินตามเวลากินเท่าที่จําเป็นถ้าเป็นคนที่ปฏิบัติทำทําใจให้นิ่งได้แล้วแล้วไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับ ภารกิจการงานอื่นๆที่ไม่สำคัญการรับประทานอาหารเพียงวันละมื้อก็อยู่ได้พอเพียงหรือถ้ายังมีภารกิจต้องทำอยู่ก็อาจจะรับประทานสองมื้อก็ได้แต่ไม่รับประทานมื้อเย็นอย่างนี้ก็ได้ทำไปอย่างนี้แล้วเวลาเกิดความอยากจะรับประทานหรือดื่มอะไร ที่นอกเวลาเราก็จะได้หักห้ามจิตใจสอนใจว่าอย่าไปดื่มอย่าไปรับประทานแบบนั้นเพราะมันเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจสาเหตุที่เรายังต้องไปดื่มไปรับประทานสิ่งนอกเวลาก็เป็นเพราะว่าเรายังมีเรายังติดมันอยู่นั่นเองเช่นคนที่ดื่มกาแฟนี้ความจริงไม่ดื่มกาแฟก็อยู่ได้คนที่ดื่มน้ำ น้ำดื่มเครื่องอัดลมต่างๆหรือน้ำดื่มที่มีรสมีกลิ่น ม, มีสีต่างๆนี้ความจริงไม่ดื่มมันแล้วร่างกายก็ไม่ตายร่างกายนี้ต้องการน้ําสะอาดฉะนั้นเองน้ํำเปล่าๆนี่ก็พอแล้วสําหรับถ้าเครื่องดื่มก็น้ํำเปล่าๆส่วนอาหารก็ตามมีตามเกิดมีอะไรก็รับประทานไปเมื่อถึงเวลารับประทานก็รับประทานไป ไม่ต้องไปจู้ที่จุดจิตไปอยางรับประทานอาหารแบบนั้นรับประทานอาหารแบบนี้อย่างนี้ก็จะสร้างความวาวุดขุ่นบัวมาให้กับใจแล้วก็ต้องให้ทำให้ต้องเดือดร้อนต้องไปแสวงหาอาหารแบบนั้นอาหารแบบนี้แทนที่อยู่อยู่บ้านทำกับข้าวรับประทานก็อยู่ไม่ได้ต้องออกไปรับประทานตามร้านอาหารต่าง แล้วก็ต้องเสียเงินเสียทองเกินความจำเป็นเมื่อต้องใช้เงินมากก็ต้องลําบากต้องไปหาเงินหาทองมาเวลาไปหาเงินหาทองก็ต้องไปเจอปัญหาไปเจออุปสรรคต่างๆก็ต้องไปมีเรื่องมีราวมีความทุกข์มีความวุ่นวายกับกับเรื่องราวต่างๆกับการแสวงหาเงินหาทองนะทั้งหมดนี้มันเกิดมาจากความอยากเท่านั้นแหละ ความอยากที่ไม่จำเป็นที่พวกเรายังอยากกันอยู่อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่เคยถามตัวเองว่าได้มาแ ล, แ, ล แ, ลแล้วได้อะไรบ้างมันไม่ได้อะไรเลยเอามาเกะกะบ้านเยอส่วนใหญ่เอามาวางไว้ให้ลกลุงหลังเต็มบ้านไปหมดพอได้มาแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรกับมันกลับต้องเป็นภาระต้องคอยมาทำความสะอาดต้องมาคอยดูแลรักษา นี่เป็นเพราะว่าใจของเราไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการศึกษาถึงความสุขของใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรใจจึงมักจะไปหาความทุกข์มาให้กับใจแทนที่จะให้ความสุขเพราะความสุขของใจนี้อยู่ที่ความนิ่งของใจนี้เองอยู่ที่ความไม่อยากมีอะไรไม่อยากได้อะไรไม่อยากเป็นอะไร นี่คือเคล็ดลับของชีวิตที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สามโลกอย่างพวกเรานะพวกเรานี้ถือว่าโชคดีที่ได้มาพบกับคําสอนแบบนี้เพราะไม่มีใครในโลกนี้สอนแบบนี้มีเพียงพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีปัญญาที่จะ เข้าถึงความสุขที่แท้จริงของใจได้ของชีวิตได้เมื่อหลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงพบกับความสุขที่แท้จริงเนี่ยแล้วพระ อ, องค์ก็นำเอามาเผยแผ่สัสอนสั่โลกอย่างพวกเราพวกเราก็ควรที่จะทราบซึ้งในพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสละเวลาของพระองค์นั้นอุทิศให้กับการเผยแร่ความจริงอันนี้ให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราและให้มีทราบซึ้งถึงบุญคุณของพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ทำหน้าที่ต่อจากพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงจากโลกนี้ไปแล้วก็มีพระอรหันตสาวกนี้แหละ ผู้ที่จะมาสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่สัตว์โลกและก็มีพระอาหารหันตุกยุคทุกสมัยมาจดถึงยุคปัจจุบันนี้ผู้ใดมีศรัทธาและมีสติปัญญาพอที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้ผู้นั้นไม่นานก็จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เช่นเดียวกัน เพราะพออาระหลานทั้งหลายนี้ก็ไม่ได้มาจากใครก็มาจากผู้ทุชนอย่างพวกเราทั้งหลายนี้เองที่ <c oughs> มีศรัทธาหลังจากที่ได้ยินพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและมีสติมีปัญญาพอที่จะสามารถ <c oughs> ควบคุมจิตใจของตนและสอนจิตใจของตนให้ตัดให้ละความอยากต่างๆทั้งหลาย ให้หมดชื่นไปจากใจได้นี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามทากันให้ได้คือต้องควบคุมใจของเราต้องดึงใจของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวนี้อย่าให้ไปตรงโน้นอย่าให้ไปในไปที่อดีตอย่าให้ไปในอนาคต ยกเว้นว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องคิดเพื่อที่จะแก้ปัญหาก็ดีหรือเพื่อที่จะวางแผนทํางานทําการเพื่อมาเรียกชีพของเราอย่างนี้เราก็ต้องใช้สติให้คิดไปด้วยให้มีสติเฝ้าดูความคิดและไม่ให้ทำอะไรในตอนนั้นให้นั่งเฉยๆหรือยืนเฉยๆ ให้คิดให้พอถ้าคิดอย่างนี้ก็ยังถือว่าคิดแบบมีสติแล้วก็คิดอยู่เรื่องเดียวไม่ได้คิดแบบสับสนไม่ได้เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาปนกันคิดเป็นเรื่องๆไปคิดตามเหตุคิดตามผลอย่าคิดตามอารมณ์ถ้าคิดตามอารมณ์แล้วนี่มันจะไม่ได้เรื่องแล้วมันจะท่าสร้างความสับสนสับสนความวุ่นวายความทุกข์ความกังวลใจได้ ต้องคิดด้วยเหตุด้วยผลคิดตามหลักความจริงความจริงเป็นอย่างไรต้องยอมรับความจริงอย่างนั้นอย่าไปฝืนความจริงแต่ถ้าเราเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงเช่นตอนนี้อากาศมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะให้มันเป็นอย่างอื่นเราก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่าเราเปลี่ยนมันไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ เราก็อยู่กับมันไปเราก็จะไม่วุ่นวายใจเราก็จะไม่มีความทุกข์ดังนั้นเราต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆพยายามดึงใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะทำอะไรกำลังเดินอยู่ก็ให้อยู่กับการเดินอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นตามไปด้วยเวลานั่งก็เช่นเดียวกันเวลาทํางานทำการทําอะไร ก็ให้อยู่กับงานกับการที่เราทำอยู่ถ้าสติเราไม่มีกาลังพอที่จะดึงมันเอาไว้ทั้งๆ ท, ที่เรารู้อยู่ว่าจะให้มันอยู่ตรงนี้มันยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มีมีวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือให้ท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจให้มันอยู่อยู่กับพุทโธอย่างเดียวถ้ามันจะคิดอะไรก็ให้มันคิดแต่คำว่าพุทโธอย่างเดียวก็ได้หรือถ้าเรา สวดมนต์เป็นเราจะสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้เดินไปก็สวดมนต์ไปภายในใจอรหังสา ม, มาสวะขาโตสุปฏิปันโนแต่อย่าให้มันไปคิดเรื่องที่ไม่จำเป็นที่จะต้องคิดถ้าจำเป็นจะต้องคิดเรื่องอะไรก็ให้หยุดเดินหยุดทางานก่อนแล้วคิดเรื่องนั้นพอคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแต่อย่าคิดร่่ยเปื่อยคิดไปแบบคนไม่มีสติ คิดไปอย่างนั้นนต่อไปก็จะกลายเป็นคนเสียสติได้คนบางคนนี่ที่เสียสติเป็นบ้าไปก็เพราะว่าปล่อยให้คิดไปแบบไม่รู้จักหยุดจากหย่อนคิดจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะจะยุติความคิดของตนได้อย่างไรก็ถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนกับปล่อยให้วิ่งไปโดยไม่มีคนขับในที่สุดมันก็ต้องแหกโค้งตกเหวไปหรือ ไปโชดกับรถคันื่นเท่านั้นมันถึงจะหยุดได้นี่แหละคือเรื่องของใจของเราถ้าไม่มีสติควบคุมไม่มีปัญญาคอยสอนมันก็มักจะไปเตะน้ํามักไปเอาเรื่องต่างๆมาแบบให้หนักอกหนักใจแต่ถ้ามันมีสติและมีปัญญาแล้วมันก็จะรู้ว่าตอนนี้มันกําลังไปเตะน้ําหรือเปล่ามันกําลังแบกอะไรอยู่หรือเปล่า ถ้ามันรู้ว่ามันเตะน้ำหรือแบกอะไรอยู่ปัญญาก็จะสอนว่าอย่าไปเตะสิอย่าไปแบกสิปล่อยเขาไปเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาไม่ช้าก็เร็วพวกเราทุกคนก็ต้องจากกันอยู่ดีไม่มีใครอยู่ในโลกนี้ไปตลอดให้คิดแบบนี้ให้คิดว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรถาววจะไปหวงไปห่วงอย่างไรไม่ช้าก็เร็ว เขาก็ต้องหมดไปดูกรุงศรียุธยามันก็ยังหมดไปได้กรุงสุขโขทยัยมันก็ยังหมดไปได้ต่อไปกรุงเทพมันก็หมดไปได้เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นไม่มีอะไรถาวรมันจะต้องหมดไปสักวันหนึ่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งอย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงไม่ควรไปวิตกกังวล ไปแบบไปหามกับเรื่องราวต่างๆแต่ก็ไม่ได้ปล่อยวางเมิมนเฉยไม่สนใจใหยดีถ้าเราสามารถทําอะไรให้ดีได้ก็ทําไปสามารถรักษาอะไรได้ก็รักษาไปแต่ถ้ามันสุดวิสัยทําไปได้จริงๆก็อย่าไปทุกข์ไปกังวลกับมันอย่าไปหนักอกหนักใจไปวุ่นวายไปกับมันแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข ทุกเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกะตาขอให้เราดึงใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วให้เราดูอารุดูความรู้สึกของใจของเราว่าตอนนี้ใจเรากำลังแบกอะไรอยู่หรือเปล่าใจเรากำลังทุกขกับอะไรหรือเปล่าใจเรากำลังอยากกับอะไรหรือเปล่าถ้าสิ่งที่อยากนี้มันไม่จำเป็นก็อย่าไปอยากมันพยายามตัดมันให้ได้แต่สิ่งที่จำเป็นก็ก็ ก็ต้องหามาเช่นหายามารับประทานเวลาเจ็บ่ายได้ป่วยหาอาหารมารับประทานแต่ต้องรู้จักประมาณแล้วก็ไม่ต้องหามาตามความอยากหามาตามนียตามเกิดได้อะไรพออยู่พอกินพอใช้ได้ก็เอาแล้วไม่ต้องวิจิตพิสดารไม่ต้องละเอียดไม่ต้องหรูหราให้มันเป็นไปตาม ตามกาลังของเราตามเหตุตามปัจจัยคือทาแล้วเราไม่วุ่นวายใจก็ใช้ได้แต่ถ้าเราต้องวุ่นวายใจกับเรื่องถึงแม้จะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความอยากเหมือนกันถ้าเราสามารถสอนใจให้อยู่ตามมีตามเกิดได้แล้วก็ไม่ไปแบกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เราก็อยู่อย่างมีความสุข นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงนี้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีเงินทองพระอรหันตสาวกทั้งหลายไม่ต้องมีเงินทองไม่มีสมบัติไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีลูกไม่มีตำแหน่งไม่มีเครื่องบัดเทินต่างๆมาบำรุงบังเลอแต่ท่านกลับมีความสุขมากกว่าเราหลายล้านเท่าท่านมีปรามังสุขขังส่วนพวกเรานี้มีแต่ปรมังทุกขัง ทุกันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นขอให้เราจงพยายามฝึกสติควบคุมจิตใจนละสอนใจให้ฉลาดอย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และมันไม่อยู่กับเราเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับหรือเอาติดตัวไปกับเราได้ถ้าเราสอนใจอย่างนี้เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะมีแต่ความสุขอย่างเดียว จึงขอฝากเรื่องของการมาดูแลควบคุมใจของเราด้วยสติด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้านี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่จะมีตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศเีลตนะไตร